มันจะเก่งตอนที่เรารู้สึกตัวลู้สึกตัวกลับมาลู้จึกตัวมนเรื่องกายมันใหญ่มันก็จะไม่ใหญ่เวทนามายิ่งใหญ่ก็จะไม่ยิ่งใหญ่ก็สักแต่ภาาเวทนาสักแต่ว่ากายถ้าไปเป็นไปกรรมันก็เรื่องใหญ่หอบพิ้วไปได้หอบพิ้วโหลไปได้ทิ้งความเพียรไม่มีความเพียรไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสติแม้แต่จิตที่มันคิดมันก็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 ไม่ใช่เรื่องจิตเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องเวทนาเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องกายเป็นเรื่องหนึ่งถ้ามันรู้สึกตัวมันก็จะบอกไปเลยมันก็จะรู้ไปเลยว่ากายาา uz, สักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตก็สักว่าจิตไปเลยมีแต่ความรู้สึกตัวจะสะดวกถ้าไปเป็นไม่มันก็ไม่สะดวกเรื่องของกายก็เป็นขัดข้องไปหมดเลยยุ่ ง, างายากไปหมดเลย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 มันไม่ง่วงก็ไปทําแบบมันก็จินแรงเพราะไม่มีสิ่งที่เกี่ยวข้องเหมือนกับเขื่อนของมันสกปรกมันติดเสื้อผ้าเราทำเบาๆมันก็ไม่ออกต้องปัดออกต้องถูออกทาแรงแรงความคิดทันทีมันแรงกว่ความรู้สึกตั ว, วเขย่ยาธาตุลู่ขึ้นไปให้ลู่สึกตัวหัวเลาะอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้น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 ที่งกว่าพ่อกว่าแม่อีกผู้เจ้าจึงให้ชื่อว่าเป็นลุกประละมากเราจึงอย่าให้ขาดแขนหัดเอาไว้มาไม่ใช่สติธรรมดาถ้าฝึกผลตนแดงนะมีทั้งศีลทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งมรเหรียนทั้งผลอยู่ที่นี่ด้วยบันที่สุดก็เหนือทุกอย่างเหนือเกิดเจเจ็บตายได้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 เป็นตั้งศีลเป็นเซนสมาที่เป็นปนัญญามาพพเป็ดพวงลอยนี่คือกรรมฐานไม่มีหนังสือเรียนดอกสมัยก่อนพู้เจ้ามานั่งเป็นต้นโพำเพลนมีหายใจเข้าบางทีพระองค์อาจจะพูดว่าเหยียดฉขนออกการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออกรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้ตัวกเดินไปข้างหน้าเดินขึ้นข้างหลัง